ขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาไม่ได้ทักทายด้วยคำว่าฮาเลลูยานานพอสมควร น, นะครับพี่น้องอาจจะลืมคําตอบเวลาเราจะทักทายกันฮาเลลูยาเราก็จะตอบว่าอามนนะครับขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้แม้ว่าอากาศจะเปลี่ยนกลับมาสู่ภาคปกติคือร้อนเป็นพิเศษนะครับตอนเช้าก็อากาศดูเหมือนว่าฝนจะตกแต่ขอบคุณพระเจ้าครับ สัปดาหกา์กว่าที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในบรรยากาศที่คลื้มฟ้าคลื้มฝนทําให้กรุงเทพของเราก็เย็นสดชื่นนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทางตาลนะครับในซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของที่เราเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่า holy week นะครับวันทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าวันอาทิตย์ทางตาลนั้นมีอะไรสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอะไรเกิดขึ้นในพระคัมภีร์นะครับวันอาทิตย์ วันนี้นะครับพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงยเยรูซาเล็มในวันต้นสัปดาห์นะครับเด็กๆประชาชนทั้งหลายก็โบกใบ ป, ปาล์มโบกใบไม้นะครับและเขาก็หลายๆคนก็เอาถอดเสื้อผ้าผ้าคลุมของตนเองปูให้พระองค์ให้ลาของพระองค์นั้นเดินผ่านนะครับเขาเรียกร้องต่อพระองค์ว่าโฮสนาโฮสนาซึ่งแปลว่าขอทรงช่วย เราทั้งหลายให้รอดเถิดซึ่งเขามีความเข้าใจว่าพระเยซูจะมาเป็นกษัตริย์ที่ปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสของอาณาจักรโรมันครับแล้วก็วันมีเรื่องมากมายในวันนั้นนะครับวันจันทร์พระองค์กลับมาที่พระวิหารพระองค์ทรงชำระพระวิหารไล่คนค้าขายพ่อค้าทั้งหลายพวกปูโรหิต ท, ที่ คดโกงช่อโกงในการใช้พระวิหารให้เป็นตลาดวันอังคารพวกปุโรหิตทั้งหลายก็ส่งคนไปถามพระเยซูเกี่ยวกับสิทธิอำนาจที่พระเยซูใช้นั้นว่าพระองค์เอาอำนาจอะไรมาจากไหนนะครับถึงมาบังอาจไล่มาทำาการคว่ำโตในพระวิหารได้วันพุธแทบจะไม่มีอะไร บันทึกในพระคัมภีร์นอกจากบันทึกว่ายูดาสตัดสินใจแอบไปหาพวกปุโรหิตพวกผู้นำศาสนาเพื่อจ ะ, อะเพื่อตกลงนะครับตกลงฆ่าตัวในการหักหลังพระเยซูวันพฤหัสเป็นวันที่พยยระเยซูรับประทานอาหารกับสาวกวันปัสกานะครับที่เราเรียกว่าลาซัเปอร์นะครับก็คืนนั้นก็มีการ อธิษฐานที่หลังจากที่พระองค์กินขนมอาหารกับสาวกแล้วพระองค์ก็ไปในสวนเกสเมเมนเอธิษฐานและพระองค์ก็ถูกจับตลอดทั้งคืนพระองค์ก็ถูกสอบสวนสารเตี้ยสารสูงสารสารพัดสารนะครับเจสารรวมแล้วถูกตัดสินตอน9ก้าโมงเช้าก็ไปถูกแบกกางเขนไปตรึงนะครับจนถึงเที่ยงและพระองค์ก็เกิดมืดฟ้ามัวดินไปจนถึงบ่าย3ามโมงพระองค์สิ้นพระชนวันศุกร์นะครับนี่คือวันศุกร์ และหลังเขาก็ฝังพระศพของพระองค์ก่อนหกโมงเย็นวันเสาร์เป็นวันเงียบที่ในร่างกายด้านร่างกายด้านการเมืองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนอกจากศพของพระเยซูถูกฝังไว้ในอุโมงค์และแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นลงไปประกาศกับคนตายก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาบังเกิด นะครับดังที่เราอ่านในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตที่บอกว่าพระองค์เสด็จลงสู่แดนมรณานะครับนี่คือการวันเสาร์ที่พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์แล้ววันอาทิตย์เช้านะครับวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เราก็เฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูกิดเราคริกจักเปลี่ยนสบาโตจากวันเสาร์ที่เป็นวันหยุด มานมัสการพระเจ้าเฉลิมเฉลองกันเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูกิตในวันอาทิตย์นะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโลกก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมากมายหลายอย่างหัวข้อในบ่ายวันนี้นะครับในจากเหตุการณ์ในคืนวันพรฤหัสนั้นผมก็ตั้งหัวข้อตามพระดํารัสของพระเยซูนะครับใจเราเป็นทุกข์แทบจะตาย พี่น้องเคยล้มเหลวในธุรกิจไหมครับคนเรียนหนังสือเคยสอบตกเคยสอบเอ็นไม่ได้เคยเราเคยล้มเหลวหลายเรื่องหลายราวเคยบางคนอาจจะล้มละลายอาจจะขาดทุนอาจจะถูกหักหลังความเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้เราขอบคุณพระเจ้าครับ เนื่องจากประสบการณ์เหล่านี้เรารู้ว่าเรามีที่พึ่งเหมือนบทเพลงที่เราร้องเมื่อสักครู่ที่กลางเขนโบราณ น, นั้นภาระทั้งทุกอย่างของเรานั้นถูกวางไว้ที่นั่นแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าล่ะครับทําไมพระองค์อธิษฐานอย่างนั้นเป็นพระเจ้าเวททุกทําไมนี่นะครับหลายๆลายคนบอกเป็นคริสเตียนเราไม่ต้องทุกนะครับแต่จริงๆพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะสบายนะครับไม่มีทุก แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเองพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ก็ทุกจนที่พระองค์บอกว่าใจของเราเป็ น, ปนทุกข์แทบจะตายนะครับทาไมพระองค์ตรัสอย่างนั้นแท้ที่จริงในสวนเกเซมานีนั้นพระองค์ก็เข้าไปอธิษฐานบ่อยครั้งมันคงเป็นสถานที่ที่เงียบเป็นสถานที่ที่จะใช้เวลาส่วนตัวในการอธิษฐานการใข่ครวญกับพระเจ้านะครับ และเมื่อพระองค์ไปถึงที่นั่นเราจะพบว่าสาวกของพระองค์นั้นพระองค์ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่ง8ดคน8ดคนนั้นอยู่ที่ข้างนอกที่ประตูสวนนะครับไม่ไ ด, ไได้ถูกพาเข้าไปข้างในแต่คนที่อีกเพียงสามคนเท่านั้นที่ไปกับพระเยซูไปใกล้กับพระองค์แต่ว่าไม่ได้ใกล้มาก นั่นคือเปตโตรยอนและยากรบหนึ่งในสมคนนั้นต้องได้ยินพระเยซูอธิษฐานแต่สิ่งที่เราเห็นบันทึกในพระคัมภีรก็คือว่าเปตโตรนั้นหลับนะครับไม่แน่ว่ายอนอาจจะได้ยินก็ได้นะครับถึงสามารถที่จะบันทึกในพระคัมภีร์ได้ว่าพระองค์อธิษฐานว่าอะไรบ้าง พระเยซูกลับมาก็เห็นพวกเขานอนหลับนะครับพระองค์จึงเตือนเขาว่าจงเฝ้าระวังอธิษฐานเพราะว่าเขาอาจจะต้องเพื่อจะเข้าไม่ไม่ต้องเข้าสู่การทดลองเพราะว่าจิตใจของเขานั้นพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนอยู่กายยังอ่อนกําลังอยู่แน่นอนครับเปตโตรนั้นใจพร้อมสู้เต็มที่นะครับก่อนที่จะมาสวนเนี่ยเปตโตรบอกกับพระเยซูงไงพระองค์ไม่ได้พระองค์ไปตายไม่ได้ พระองค์ไปไหนข้าพระองค์ไปด้วยพระองค์ตายที่ไหนข้าองตายที่นั่นด้วยนี่คือไปโตรนะครับไปตายด้วยกันนะครับเขาบอกอย่างนี้กับพระเยซูแล้วก็ย้อนกับยากรอบก็เป็นสองคนที่อยากจะนั่งข้างซ้ายข้างขวากับพระเยซูแล้วพระองค์ก็บอกว่าท่านได้นั่งแน่ได้ท่านได้รับถ้วยของเราแน่นะครับถ้วยที่ท่านจะรับนั้นท่านจะต้องเผชิญแน่ และสคนนี้ก็เป็นคนที่ได้เห็นพระอิศุกริตจําแรงพระกายดังนั้น เ, เขาใกล้ชิดกับพระองค์พระองค์ก็พาเขาเข้าร่วมทุกข์กับพระองค์พระองค์เดิละพวกเขาไว้นะครับแล้วพระองค์ก็เดินไปอีกหน่อยหนึ่งและอธิษฐานพระธรรมลูกาบันทึกว่าพระองค์ไปจากพวกเขาอีกประมาณระยะประมาณก้อนหินขว้างตก ก็น่าจะประมาณแถวหลังอของแถวหลังสุดของม้านั่งในโบสถ์เนี่ยครับถ้าผมปาก้อนหินก็อาจจะไปถึงพี่น้องแถวหลังนะครับพระองค์ไม่ได้ไปไกลามากนักแลวก้วพระองค์ก็อธิษฐานทีนี้ว่าระย ะ, ะห่างประมาณนี้ที่ทําให้พวกสาวกอาจจะได้ยินคำอธิษฐานของพระเยซูการอธิษฐานด้วยความทุกข์ใจด้วยความหนักใจ มีบางคนบอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นอธิษฐานด้วยเสียงโอดครวนต่อพระเจ้าขอให้ถ้วยนั้นเลื่อนไปถ้วยนั้นคือเหตุการณ์อะไรที่รพระองค์จะเผชิญข้างหน้าพระองค์จะต้องเผชิญอะไรพระองค์ถึงจะ ทุกมากมายขนาดนั้นแม้กระทั่งในพระธรรมลุกาก็ยัำบันทึกว่าพระองค์เจ็บปวดพระไทยและกดดันมากจนเหงื่อของพระองค์นั้นหยดออกมาเป็นเหมือนเลือดแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับณเวลานั้นพระองค์ไม่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเพียงลำพัง พระคัมภีร์บันทึกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปลนนิบัติพระองค์อยู่ขอบคุณพระเจ้าครับซึ่งหลายครั้งที่เราทั้งหลายก็เดือดร้อนทุกข์ใจเห น, นื่อ ย, ท, อ ท, อย ท, อท้อถอยท้อแท้พระคัมภีร์ก็ยืน ย, ยัดเจนว่าเป็นพยานหลักฐานว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราเรามีทางออกแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็อธิษฐานกับพระเจ้า พระองค์เข้าไปในสถานที่แห่งนี้พระองค์ไปอธิษฐานและมีคนที่อยู่ใกล้ๆกับพระองค์สามคนนี้ต้องเป็นคนที่รู้ใจพระองค์แน่นอนครับแน่นอนครับว่าเราต้องการคนที่เราอยากจะพูดให้เขาฟังในขณะที่เราหนักใจในขณะที่เราทุกข์ใจ โดยหลักการแล้วนะครับเขาบอกว่าเราควรจะมีที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่เราสามารถที่จะพูดคุยเราสามารถที่จะปรึกษากับเขาได้อาจจะเป็นพี่เลี้ยงไม่ทราบว่าพี่น้องท่านใดยังจำผู้ปกครองพี่เลี้ยงของท่านได้บ้างครับหรือว่าผู้ปกครองก็ลืมน้องเลี้ยงของตนเองนะครับจริงแล้วจากเราก็มีพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะครับใน การดูแลซึ่งการละกันเพื่อว่าเราจะได้อธิษฐานเผื่อซึ่งการละกันความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะครับสาวกของพระองค์ไปกับพระองค์แต่ว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เข า, เาได้ไปกับพระองค์นั้นดูเหมือนว่าพระองค์ก็ผิดหวังนะครับเพราะว่าเปโตรนั้น ที่บอกว่าขอไปตายกับพระองค์พระองค์ไปไหนก็ไปด้วยนะครับหลับเลยครนะับหลับก่อนเพื่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้สาวกทั้งสามคนนี้ก็เขาก็ได้พบกับถ้วยขององค์พระคริสต์เจ้าจริงๆหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นนะครับเหตุผลที่พระคริสต์เจ้า เข้าไปอธิษฐานและได้ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากพระองค์และเหตุผลที่พระองค์บอกกับเปโตรบอกกับสาวกของพระองค์ว่าใจของเรานั้นเป็นทุกข์แทบจะตายคืออะไรครับ อย่างน้อยมีคนพยายามหาเหตุผลนะครับสามอย่างสี่อย่างด้วยกันนะครับสิ่งแรกก็คือว่าความทุกข์ทรมานบนกลางเขนถ้าเราดูหนังเรื่อง The Passion of the Christ นะครับเราก็จะพบกับเราจะเห็นภาพของการลงโทษที่พระเยคริสต์เจ้าได้รับตั้งแต่ค่ำคืนที่พระองค์ถูกจับนะครับ เขาเหล่านั้นเอาผ้าปิดตาพระองค์และตบพระและถามว่าตอบสิใครตบเจ้าแล้วก็ท่มน้ำลายรถหน้าเยาะเย้ยถากถางและพระองค์ถูกตีถูกเขี่ยนจะปวดอยากแสนสาหัสความทุกข์ทรมานนี้ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ใช่กับ เหตุผลที่แท้จริงหรือว่าใหญ่ที่สุดในการที่พระองค์ขอให้เลื่อนไปเหตุผลที่สองครับการตายบนบางกลางเขตนั้นเป็นเรื่องของความอับอายพระเยซูรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ต้องถูกอับอายแน่นอนคําพยากรจากอิสยานะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยกว่าปีที่ก่อนที่พระองค์จะมาบังเกิดนั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่า ในเฉลิมธรรมัญติบทที่ยีบนะครับบอกว่าถ้าคนใดได้จะทำความผิดอันมีโทษถึงตายและเขาถูกประหารและแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้ผู้นั้นต้องถูกแขวนไ ว, ไว้บนต้นไม้นั้นก็ต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคนที่ถูกแขวนให้ตายบนกางเขนบนต้นไม้นั้นเขาก็สาปแช่ง แล้วเรานึกถึงภาพว่าพระเยซูรู้อยู่แล้วพระองค์จะต้องไปถูกตึงที่กางเขนที่นอกเมืองแล้วคนผ่านไปผ่านมานั้นก็จะต้องเยอะเย้ยหรือแม้กระทั่งอยู่บนกางเขนโจรคนหนึ่งก็ยังเย่ะเย้ยพระองค์ถ้าท่านเป็นพระคริสต์จริงก็ช่วยตัวเองให้รอดสิช่วยผมด้วยช่วยเราด้วยนะครับการย่อเ ย, อเยอ้ยถักถานเกิดขึ้นแต่ครับพระองครู้ ว่าพระองค์จะต้องรับความอับอายถูกเยาะเย้ยฉากถางเชนนี้พระองค์ยอมรับและที่จะรับสิ่งนี้สิ่งที่สครับการถูกแยกออกจากพระเจ้าการถูกพรากจากพระเจ้า พระธรรมสดุดีได้พยากรณ์ได้กล่าวถึงพระเมสสิยาคผู้ทนทุกข์ไว้กอ่อนหน้านี้แล้วในสดุดีบทที่24 22นะครับฉไนพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉไนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียและพระเยซูกิจเจ้าเองเมื่อพระองค์ต้องรับเป็น ผู้รับบาปบนกางเขตนั้นวินาทีที่นาทีที่พระองค์ถูกที่ภากสาลงโทษและรับโทษแทนมนุษย์วินาทีนั้นความบาปทั้งสิน้นของมนุษย์นั้นตกอยู่กับพระองค์พระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ที่รับบาปและพระเจ้าผู้บริสุทธิ์กับความบาปไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้พระเยซูคริสต์เจ้า ถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาพระเยซูกิจเจ้าอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าเไหนพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียนั่นคือความทุกข์ใจสิ่งที่พระเยซูกิจเจ้าจะต้องรับที่พระองค์จะต้องอธิษฐานอย่างหนักและพระพพระองค์บอกกับคนสนิทของพระองค์ว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายเพราะเหตุนี้นี่เอง และอีกเหตผลหนึ่งซึ่งก็ได้บอกแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าพระองค์ต้องรับสภาพของคนบาปที่ถูกลงโทษความบาปทั้งสิ้นนั้นของมนุษย์ของโลกถูกวางไว้ที่พระกายของพระองค์พระองค์สุนถ้าตามร่างกายแล้วพระองค์สูญเสียความบริสุทธิ์ สูญเสียสภาพของความเป็นพระเจ้าความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์นั้นถูกกลืนไปเป็นเหมือนคนบาปเพื่อรับโทษแทนความบาปทั้งสิ้นของมวลมนุษยชาติเพื่อพี่น้องเพื่อผมการรับโทษแทนตรงนี้เองเราทั้งหลายจึงได้รับการ ให้อภัยเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในพระองค์สดุดีบทที่31ข้อขออภัยครับ32ข้อ1ข้อ2บุคคลผู้ซึ่งพระเจ้ายกโทษการละเมิดแล้วก็เป็นสุขคือคนที่พระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้นพระคริสต์เจ้าทรงรับความบาปทั้งสิ้นของมนุษยชาติไว้ที่พระกายของพระองค์แล้ว ความอิจฉาการหยิงยโสการไม่เชื่อฟังความเกลียดชังความโลภทั้งหลายที่มนุษย์กระทํานั้นถูกตกไว้กับพระกายของพระคริต์เจ้าพระองค์ทรงรับแทนมีบางคนพยายามลองอคิดถึงคําอธิษฐานของพระเยซูที่พระองค์ทรงอธิษฐานกับพระเจ้านะครับฟรานซิสเชเฟอร์นะครั บ, er, รบเขาบอกว่า พระเยซูควรจะ อ, อ, อน่าจะอธิษฐานอย่างนี้ไหมพระบิดาอับบาไม่มีทางอื่นอีกแล้วหรืออับบาทรงคิดขอทรงคิดหาวิธีอื่นที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดวิธีอื่นให้ไหมอับบานี่เป็นวิธีเดียวจริงๆหรือที่จะทำให้มนุษย์พ้นจากโทษทานของความบาปของเขา แต่จริงๆแล้วพระองค์รู้แล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมเทศนาเรื่องของการทดลองนะครับเข้าสู่ธรรมเข้าสู่การทดลองถ้าพระเยซยูยอมคุกเข่าให้กับซาตานนะครับพระองค์ก็ไม่ต้องถูกไม่ต้องขึ้นกางเขนใช่ไหมครับแล้วก็ซาตานก็มอบโลกนี้ให้กับพระองค์ครอบครองแต่ว่าใครครอบครองพระเยซูครับซาตานแต่นั่นจึงไม่ใช่วิธี เป็นวิธีเดียวจริงๆที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจะพ้นจากความบาปนั่นก็คือการเข้าสู่การเขนการยอมรับสภาพของความคนบาปและถูกพิพากษาลงโทษแทนคนบาปผลก็คือว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นก็ได้รับชีวิตนิ<ม>รันดร์พระเยซคริสตเจ้าไม่อยากแยกออกจากพระบิดา ไม่อยากแยกออกจากพระเจ้าเพราะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพตั้งแต่โลกจะถูกสร้างขณะที่โลกถูกสร้างนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็อยู่ที่นั่นพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณโดยส่วนพระองค์ก็อยู่ที่นั่นและพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เคยถูกแยกออกจากกันเลยทั้งสามพระาของพระเจ้า มเมื่อขณะที่เตรียมนี่ทําให้ผมคิดถึงลูกสาวตอนที่เล็กๆนะครับบางทีผมก็ต้องมีไปประชุมไปอบรมต่างจังหวัดนะครับไปอบรมเชียงใหม่มีครั้งหนึ่งนะครับก็บอกลูกว่าพ่อจะไปเชียงใหม่นะครับก็ถือยิ้วกระเป๋าลงมานะครับลูกก็าตาม นะครับคิดถึงที่ไรก็บางทีน้ำตาจะไหลเหือนกันคิดสงสารเขานะครับจะไปด้วยจะไปกับพ่อนะครับไม่อยากแยกจากพ่อนะครับแม่ก็อยู่นะครับแม่ก็อยู่บ้านแต่ไม่เอาจะไปกับพ่อจะอยู่กับพ่อนะฮะความรู้สึกของลูกที่ไม่อยากแยกจากพ่อเช่นเดียวกันครับพระเยคสต์เจ้าเขามีถูกไม่อยากแยกออกจากพระบิดาพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันมาตลอด แต่พระองค์ทรงถูกแยกเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยรอาทั้งหลายให้พ้นจากความบาปพ้นจากมารซาตานพ้นจากอำนาจของความตายขอบคุณพระเจ้าครับบทเพลงพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจที่เราได้ร้องด้วยกันเมื่อสักครู่เป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆถ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าเราทั้งหลายก็คงไม่สามารถที่จะ ช่วยตนเองให้พ้นจากความบาปได้ไม่ว่าจะเป็นความดีเราดีได้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวก็ดีแตกครับเพราะว่าการทดลองมากมายที่มันเข้าสู่มาสู่ชีวิตของเรานั้นเองพระเยซริต์เจ้าจึงตรัสกับสาวกของพระองค์ท่านท้หลาจงระวังนะครับเฝ้าอธิษฐานเพื่อว่าท่านจะไม่ถูกการทดลอง เพราะการแห่งโลกนี้มีมากมายที่ทำให้เราเข้าสู่การทดลองแม้กระทั่งพระเยซูคริสต์เจ้าเองนะครับสถานการณ์บนโ ต, ต๊ะปัสกาหนึ่งในสาวกสิบสองคนนั้นก็าทำย้อนบอกว่าเขายกส้นเท้าใส่นะครับพระองค์เขาหักหลังพระองค์ เขาเป็นคนที่ขายพระองค์จึงมีหลายคนบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะเกิดมาในโลกนี้แต่ถ้าไม่ใช่เขาก็เราทั้งหลายก็ไม่มีวันนี้เพราะเขาเป็นคนที่ชี้เพื่อจะผลิตพระเจ้าจะถูกจับกลุ่มนั้นเมื่อพระองค์ไปอธิษฐานนั้นพระองค์อดครวนอย่างหนักอย่างรุนแรงพี่น้องครับ สิ่งที่โปรงทำนั้นเพื่อเราทั้งสิ้นและขณะที่เรามีภาระหนักแ่ะครับเรามีความทุกข์ใจเราล้มเหลวเราล้มละลายเราถูกทรยยศเราทำอย่างไรครับพระเยซคริส์เจ้าก็เตือนสาวกของโปรงแล้วและก็เป็นคำตอบและเป็นแบบอย่างให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันครับ พระองค์ในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อที่7ถึงข้อที่9พระสกิทเจ้าพระเจ้าทรงอธิษฐานด้วยน้ำพระเนตรไหลและพระเจ้าทรงสดับด้วยความยำเกรงของพระเยซูและพระองค์ยอมที่จะกระทาตามน้าพระทัยของพระเจ้าพระองค์จึงช่วยโลก ให้รอดและพระองค์ทรงเป็นพระมหาปุรูหิตที่สมบูรณ์แบบในการช่วยไทยในการไทยมนุษย์ให้รอดเยซูกิเจ้านั้นทั้งยาเกลงและคำอธิษฐานของพระองค์นั้นอย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามพระไทยของพระบิดาแม้พระองค์รู้อยู่นะครับว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งพระบิดาพระองค์ ทรงทำได้ทุกสิ่งขอให้ทุก–วยนี้เลื่อนไปจากข้าพรองค์แต่อย่างไรก็ตามอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์พรสุขเจ้าวางใจในแผนการของพระเจ้าและพระองค์ยอมที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระธรรมสดุรีบทที่42หลายครั้งเราร้องเป็นบทเพลงกว้างน้อยกระหายหาน้า เราร้องแค่ข้อหนึ่งข้อสองนะครับแต่ในบทนี้มีพูดถึงใจที่เป็นทุกข์ของผู้เขียนพระดำสะดุดีนะครับของโคราจิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยชันไหนจึงฟออยู่คนที่จิตใจฟอนี่คือคนที่มีความกลัวมีความทุกข์มีภาระมีปัญหาที่หนัก นะครับเขาก็ถามใจตัวเองนะครับฉนไหนเจ้าจึงฟอร์อย e ู au, ha ha j j ่ฉนไหนเจ้าจึงกระสับกระสายภายในเขาข้าพเจ้าจิตใจของข้าเฉยฉนไหนจึงฟอร์อยู่ภายในข้าพเจ้าจิตใจของข้าเฉยฉนไหนจึงฟอร์อยู่ฉนไหนจึงกระสับกระสายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสรุดีแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นความอุปถรัรมภ์และพระเจ้าของข้าพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์เป็นผู้ที่จะทรงช่วยในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตของเราได้ไม่ว่าจิตใจของเราจะฟอดจะห่อหิวสดุดีบทที่46เช่นกันครับได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่รีบไพร์และเป็นกําลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือในที่พร้อมในยามยากลําบาก เมื่อเราเลาะยากลำบากร้องทูลต่อพระเจ้าครับขณะที่เรารเผชิญนั้นเราไม่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากปัญหาทั้งหลายนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ความชื่นชมยินดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะทุกข์ตลอดกาลและปัญหาความทุกข์นั้นอาจจะเกิดมาจากคนอาจจะมาจากสถานการณ์ดูโยบครับชีวิตของโยบ ซาตานทำให้โยบเผชิญกับปัญหามากมายที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ตอนจบแม้ว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งหลายๆคนยังถามว่าแล้วซาตานไปไหนละครน้ำเน่าในโทรทัศน์เมืองไทยมีเยอะแยะมากมายคนกันแกล้งกันอิจฉาลิซยานะครับวางแผนฆ่ากันเยอะแยะมากมายแต่ตอนจบ หลายๆเรื่องตัวร้ายไม่รู้หายไปไหนครับไม่ได้สนใจตัวร้ายเลยใจคนผู้ชมนี่แหมอยากจะให้ตัวร้ายถูกลงโทษนะครับแต่เห็นแต่ว่าตัวเอกของเรื่องแต่ละเรื่องนั้นมีความสุขได้รับความดีเช่นเดียวกันครับในพระธรรมโยกก็ ไม่ได้บอกว่าซาตานหายไปไหนจนมาถึงพระธรรมวิวรณ์นะครับถึงเราถึงจะรู้ว่าซาตานถูกปราบในวันที่พระคริสต์เจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและมันถูกมัดและจะถูกลงโทษพิพากษาลงโทษสุดท้ายและจะถูกเผาถูกกักขังถูกลงโทษพระคริสต์เจ้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับ เอาความตายบนกลางเขียนนั้นและในวันที่3นั้นพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายให้ชีวิตใหม่กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้ความหวังใจกับเราทั้งหลายพี่น้องครับผมและพี่น้องก็ไม่ต่างกันนะครับเราอาจจ ะ, ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากทั้งใจและกายแต่เมื่อเราหวังใจในพระเจ้านะครับเราวางใจในพระเจ้าพระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระองค์จะอาจจะให้ความชื่นชมยินดีที่มาถึงเราเหมือนที่เขาบอกฟ้าหลังฝนมันมีเสียงนกร้องมีความชื่นชมยินดีมีความเย็นเกิดขึ้นนะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงถ้าเราทั้งหลายอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากเช่นนั้นจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายเหนือความทุกข์ระทมใจที่เป็นทุกข์แทบจะตายนั้นได้รับความชื่นชมยินดีแล้วฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและในชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเราหนุน ขอหนุใจพี่น้องที่เราทุกคนและผมเองที่เราจะวางใจในพระเจ้ามอภาระของเรานั้นไว้ที่กางเขนของพระเยซูเจ้าและไม่มีภาระใดที่พระองค์จะช่วยเราไม่ได้ทุกทุกสิ่งที่กางเขนนั้นวางไว้กับพระองค์และพระองค์จะนำเราไปใหเราวางใจในพระเจ้าในทุกสิ่งในทุกทางและก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับวันพรุ่งนี้ หนึ่ทุ่มจนถึงวันศุกร์นะครับทุกวันเลยหนึ่งทุ่มนะครับเรามีเรียนพระวจนะของพระเจ้าในวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็วันพฤหัสเรานามัสการพระเจ้าเป็นวันตั้งพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าลาซัปเปอร์ที่เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันและวันศุกร์กู๊ดไฟเดย์นะครับวันศุกร์กระเสริฐนมัสการพระเจ้ารึก ถ, ถึงการถูกตึงการสิ้นพระชนของพระเยซูกิที่ บนไม้กางเขตนั้นและวันเสาร์ครับเรามีเยี่ยมสุสารบรรพบุรุษเนื่องจากความเชื่อของเราทั้งหลายที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับเราอยู่บนพื้นที่เจ็ดไร่กรุงเทพตอนนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินประมาณ3ามพันล้านบาทนะครับแต่เราไม่ได้เสียสักบาทในการสาซื้อที่ดินนี้มาหลายๆโบสถ์ไม่มีที่ดินจะสร้างโบสถ์นะครับในกรุงเทพ แต่เรามีทั้งที่เจไร่บรรพบุรุษเหล่านี้ได้มอบสิ่งดีเหล่านี้ไว้กับเรานะครับก็เชิญชวนที่พี่น้องเราจะไปเยี่ยมสุสาบนบรรพบุรุษนะครับแล้วก็สิบเอโมงเราจะมานมัสการพระเจ้าระ ล, ลึกถึงบรรพชนพี่น้องสามารถที่จะเสนอชื่อบรรพบุรุษของพี่น้องนะครับที่ล่วงหลับไปแล้วอาจจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้นะครับและเราจะมา ว, วาง นมัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าแล้ววางดอกไม้แล้วลึกถึงท่านเหล่านั้นที่แม้ว่าท่านไม่เชื่อพระเจ้าท่านก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่และทำให้เราได้รู้จักพระเจ้านะครับเนื่องจากพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับแค่แต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ที่ับลงทั้งหลาย ได้เห็นถึงความทนทุกข์ทรมานและการยอมทำตามพระทัยของพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เป็นเหตุผลที่ทําให้ข้างหลายได้รับการช่วยกู้ให้รอดข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยครับทั้งหลายที่จะเรียนรู้น้ําพระทัยของพระองค์และที่ข้าพหลงทั้งหลายจะยอมเชื่อฟังพระองค์เหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อข้าขงหลายจะพบกับความชื่นชมยิน ด, ดีขอมอบความหวังใจ ความวางใจของข้าพเจ้าหลายไว้ในพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามของพอระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ